ปัญหาที่8การถามเรื่องโพชงเจ็ค่าแต่พระนักเซนโพชงมีเท่าไรขอถวายพระพรมีเจดประการค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุคคลตัดสรู้ด้วยโพชงเท่าไรขอถวายพระพรบุคคลตัดสรู้ด้วยโพชงข้อเดียว คือข้อไหนพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรคือข้อธรรมวิจยะสรรมัมโพชงในวงเล็บใครครวนธรรมะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงโพชงเจ็ดไว้ทําไมขอถวายพระพรพระองค์จะเข้าพระทยัยความข้อนี้อย่างไร คือดาบที่บุคคลสวมไว้ในฝากบุคคลไม่ได้ชักออกจากฝากอาจตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ขาดได้หรือไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบอพิตคือบุคคลประสัจจาธรธรมวิจยะสามโพชงแล้วตัดสรุด้วยโพชงหกไม่ได้ถูกแล้วพระนาคเสน อธิบายโพชงคือองค์เป็นเครื่องตัดสรุมีเจ็ดประการดังนี้ 1. สติระลึกนึกไว้เสมอ 2. ธรรมวิจยะคร้ครวญธรรมะที่เราจะปฏิบัติ 3. วิริยะมีความเพียรต่อสู้กับอุปสรรค 4. ปิติจ้างความอิ่มเอิบใจให้ปรากฏกับจิต ห้าปัสสัตธิความสงบคือสงบจากนิวรณ์หรือสงบจากกิเลสหกสมาธิมีความตั้งใจมั่นเจ็ดอุเบกขาทรงอารมณ์เดียวเข้าไว้ไม่ยอมรับทราบอารมณ์อื่นเข้ามาสนใจ